มุนตั้งเฉกังแล้วก็ญาณโยก็ต้องตั้งเฉกขังเชนเดียวตอนคำว่าเต้าวันนี้วันนี้เป็นวันจันทร์ในหน้าร้อนจันทร์เป็นวันที่สิบสามเมื่อวานนี้ก็ว่าที่กันวางอน เย็นตอนเศร้าขวาธรรมะสังขารการปฏิบัติธรรมแบบวิธีที่ของกําลังธทรำรเดี๋ยวนี้เนี่ยมีอุปสรรคเป็นบางอย่างที่แรกนะเตือนไว้ให้เข้าใจคือการปฏิบัติธรรมะแบบนี้ถ้าหักวินหัวหรือว่าอาจเย็ยนที่มันคิด ใน ต, ต่างๆนั่นเนี่ยเต่มันไ่เป็นมันเป็นเป็นเพราะอารมณ์มันเกิดขึ้นภายในใจของวีเพาว่ามันเจ็บหัวเวียนหัวไอเจียอย่างนี้นเตนกดจิตมันไม่ได้เป็นเพราะเรื่องเหล่านั้นเขาไปบังคับมันเกินไปเขาพยายามอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีมันเลยไปบังคับเพรพราะที่สองคือมันคิดเราพยอยากให้มันคิดไปบังคับ กดมันไว้บว้มันผิดมันก็เลยทําผิดให้เขาได้รับผลคือควมทุกข์นั่นเองที่ว่าปฏิบัติธรรมะแบบนี้นั่นปฏิบัติซื่อๆเฮ็ดซื่อๆเฮ็ดโดยที่บนนึกบ่ฝันบ่คำหนึ่งคำหนวนมีอย่งเพียงจะให้รู้สึกตัวตนเองเมื่อรู้สึกตัวรู้ลูบรู้น้ำรู้ลูบทำรู้นามทำรู้ลูบโลกรู้น้ำโลก รูปผู้ขังรูอานิจังรูนัตตารูสมุขรูศาสนารูพุทธศาสนารูบาตรรูบุญจบหากตน้นที่ผมพูดนี้พูดเรื่องของผมไปประสบมารูควมเป็นของผมเป็นอะไรคนอื่นนั่นจะเป็นอย่างไดผมก็ไม่รู้แต่ผมสามารถที่จะพูดไปอย่างเดียวเท่านี้สิ่งที่ผมรู้ผมเห็นผมเป็ น, ผ ม, ปนผมมีผมเข้าใจนี้ให้มุ่งหวัง เมื่อลูบากลูบุญแล้วเกิดความรู้อันนู้นขึ้นใหม่ตืมลืมตัวแล้ววันนี้ไปติดคมรู้อยู่นําความลูยุ่นําผมคิดความคิดไปอันนั้นกับูกคิดไปอันนี้ก็ผิดคิดไปอย่า ง, งนั้นเน่ยมันเลยบได้เข้ามาหาตัวคิดลอยเรื่องมันจะเข้ามาหาตัวอย่างมากบวกเกินห้าสิบเรื่องห น, นึ่งดูเรื่องนี้มันจะออกไปนอกคนห้าสิบเรื่องบางที มันจะออกไปถึงหกสิบเจิดสิบเรื่องคนหนี้มันจะยุ่งเหงาภายในจักสี่สิบหรือสามสิบเรื่องเท่านั้นมันออกแตข้างนอกเมื่อพอดีเขามาทำความรู้สึกตัวอยา่าไปบังคับให้ใหมันคิดมันยิ่คิดเรายิยง่งลูกคนไกลของผมคิดอย่าห้ามแต่เขาเพียงผมรู้สึกตัวเท่านั้นให้มันรู้ให้มันรู้สึกตัวนี้แต่ให้มันคิด แต่ห้ามผมคิดอะไอีกเติมเนี่ยมันมันจะเป็นปมรู้ที่ผิดๆไ ป, ร, ร, ไปรู้แล้วมันลืมจําม่ไดยรู้แล้วมันลืมจําไปไม่ไดยรู้แล้วมันลืมจําจําได้บวกเกินสองสามนาทีเท่านั้นบางคนไปบันทึกไว้ในกระดาษกลัวจะมันจะลืมเป็นกิเลสแล้วมันผิดอย่ไปเพิ่นบอให้จดจําอันนี้มันบวทไม่หยาดแน่น มันเป็นขมลู่ของอวิชชาอวิชชาแปลว่าไม่รู้อัไนเต้มันรู้มันรู้บ่าไม่ของจริงมันเก็บมาลู่ซื่อๆเป็นอย oui, ่างนี้เป็นขมลู่ของอวิชชาบ่าไม่ขมลู่ของวิปัสสนาญาณขมลู่ของวิปัสสนาญาณจริงๆนั่นคือรู้เร borrow, ื่องรูปนามนี่แหละรูปรูปนามรูปรูปธรรมนามธรรมรูปรูปโลกนามโลก รู้ทุกขงังรู้อนิจจังรู้อนาาัตตารู้สมมุติรู้ศาสนาโลกพุทธศ า, าสนารู้บ้านรู้อันนี้เป็นญาณของปัญญาปัญญารู้แทนรู้แล้วบุญของบุลส่วนที่มันรู้แล้วคิดคิดจะรู้รู้แล้วคิดคิดแล้วลุ่นมันนั้นเป็นของรู้ของวิปัสสนาอุปกิเลสที่ผมว่าเอาไปซื้อในตำหนกโบ้ค้ยอยหุ่นจักาจารย์โบมีกรุบาอาจารย์ไว้ความรู้เรานี้ ให้มันลู้ไปเรายิ่งฮ็้จังหวัดคุ่มเทออกไปเหมือนขับน้ําที่กขุดน้าบ่อเฮาขุดน้ําบ่อลุขุดบ่อน้ําลงไปเจอน้ําน้ํานั้นมนอยู่กับตมกับเลนเฮาต้องเป็นหน้าที่ที่ขุดลงไปลึกๆแล้วก็ตักน้ําตักตมตักเลนออกไปพร้อมกันตมกับตักน้าก็ตักตักออกให้หมด เมื่อเขาตักน้ําตักต้มออกไปแล้วน้ําข้างไหลมันอกีไหลออกมาไหลออกมาน้ํานั้นใสโบได้เขาก็ต้องตักออกถังน้ำเก่าน้ำใหมควรปากบอ่อทั้งเข้าน้ําปากบอ่อนั่นน่ะน้ําออกมาจากในรูมันจะมาล้างปากบอ่อนั้นออกมันเป็นอะไรเมื่อเทาล่างหลายคือเลยน้ําก็คอยใสขึ้นใสขึ้นเขาตักออกให้หมดแล้วควรปักบอ่อบุคุน เมื่อปากบอกกวรลงไปเพี่บบุคุลแล้วก็มีอย่างตกทไปในพ้นบ่อแล้วก็เห็นเมื่อเป็นอะไที่เขากรจิตเลยเห็นความคิดเองมันอันมันรู้คิดในบูษะเห็นผมคิดที่มันรู้คิดซื่อๆพอได้มันคิดปุ๊บเห็นปั๊บคิดปุ๊บเห็นปั๊บคิดปุ๊บเห็นปั๊บพอเห็นความคิดของเมื่อเห็นความคิดขเขาแล้วจิตเกิดยานปัญญาอเป็นยานปัญญาของอภิษฐานคือเห็นวัตถุ รู้วัตถุเห็นปรมัดรู้ปรมัดเห็นอาการรู้อาการเนี่ยว <mos S 2> ัตถุปรมัตดอาการวัตถุนั่นเขาหมายกงกวงเหม <are> how, ืนหมายถึงกฏกงกวงเช่นต้นไม้ภ <c oughs> ูเขาห้วยหนองคลองบึงก็เป็นวัตถุเงินทองเสื้อผ้าไหนาหัวส่วนก็เป็นวัตถุเมื้อนังก็เป็นวัตถุจิตใจที่มันนึกบันคิดมันก็เป็นวัตถุ เขาต้องเห็นอันที่โห่อยงที่เข้าใจอย่างทีอันนี้เป็นญาณปัญญาของอิปัตนารนนู้รู้แล้วก็บรรลุปรัมะหมายถึงสิ่งที่เรากําลังเห็นกําลังเป็นกําลังมีอยู่นณะเกิดปรมามะอาการสภาพความเห็นความไม่เห็นมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเนื่องจาอาการสภาพเขามัเป็นอย่างไรเมื่อรู้เห็นวัตถุปรัมะอาการแล้วก็เห็น เข้าใจสัมผัสแนบแน่คือโทสะเขาเรียกว่าขมโกะโมหะเรียกว่าขมหลงโลภะเรียกว่ามขามโลภเห็นรู้เข้าใจเมื่อเห็นรู้เข้าใจอันนี้อันนี้เป็นอารมณ์ของนิพพานเป็นญาณปัญญาของนิพพานรู้คือขมรู้สึกนี่แหละมันไปไล่ขวบบรรลุนั่นนี่เรียกว่าขมรู้ของอวิชานั้นมันก็นลดน้อยลงไปพอดีลดน้อยไปอันนี้ก็รู้มาขึ้น เหมือนวิธีวบวกกับลบหรือน้ําอยู่ในขวดเหรในแก้วเหรอขี้กินน้ำ น, น้ำนมันสโกโปรกพร<ว>ดีหัดเัาเขาจีเอาน้ํา ม, มากินแต่ น, น้ำนมันสโกโปรกเขาเอาน้ําสะอาดหยดลงไปใส่จากหยดหนึงหรือสองหยดพอเดินน้าสะอาดมันตกไปใส่ในขวดนั้นควมสปกปรกมันกล็ลาหลายจางไปเด็ดขาด เมื่อน้ำนันมันจางไปเขาลินนา้าหรือเอาน้ำที่สะอาดนั้นเทลงไปเส้นเลดหลายๆมันก็ยิ่งจางหลออกไปเป็นธัรมเมื่อมันจางออกไปจางออกไปก็เอาก็รู้เห็นเข้าใจอย่างที่ว่าวัตถุปรามาตอ า, ารโทรสะโมหโลภะนี้มันเป็นผักเป็นผักไปเมื่อเห็นโทสะโมหโลภะชัดเจนดีแล้วเขาก็เลยเห็น รูเข้าใจเพราะ อ, อันนั้นมันจางไปแล้วคือเวทคือรูป <c oughs> แต่รูปอันนี้เขาลูกมาจากที่แรกพุณแล้คือเมื่อเขาลูบรูปหนาหมดแล้วแกมันกลับเข้ามาลู้อันนี้กคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาบุมีทุกเแต่รูปอันนี้บุตร อ, อมว่าเวทนาไม่ทุกสัญญาไม่ทุกสังขารไม่ทุก วิน ญ, ญาณไม่ทุกข์เพราะโทสะโมหะโลภะจางหายไปแล้ว อ, อันนี้เรียกว่ารูปสี่บุญเป็นรูปห้าเลยบัดนี้อันนี้ไม่ขันห้าอันนี้เป็นขันสี่คือบุญไดเอารูปขันมาวาด น, นรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันบัด น, นี้รูปขันนั้นเาวาี่ยวาแต่มุธทำอิที่รูปนามที่เมื่อไม่เห็นอันนี้กับเอาตั้งแต่เวทนาขัน เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาขันนิวรขันสี่ขันห้าขันสีน 5, ข่ 4, ขันเดียวเนะนี่ยเพาว่ามันมาอันนี้เมื่อเห็นอันนี้รู้จักอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเทวดาได้เพราะว่ามีความละอายในใจอันนี้เป็นปฐมมาสานที่หลวงพ่อเข้าใจที่แรกหลวงพ่อเข้าใจว่าเรารู้โูกรู้หนาะเนี่ยเป็นปฐมมาสานมันเป็นปฐมามา เ, เลิกเสื้ออ น, นีน หลวงพ่อเปรียบเทียบและคล้ายๆ ค, ค, คือเอาลำวงของทีตั้งกองลำวงขึ้นที่แรงเนรอบแรลกรอบต้นเขาเอื้นปฐมมาเลกคนไปลำวงไปฟ้อนไปอย่างละวันนี้บุต้องเสียสตางค์อเข้าไปฝีรู้ฝีๆีอย่างที่ผมไว้ฝังกระรู้ตอนที่รู้วัตถุปรมัติอาการโศมหะโลภะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ต้องมีบัตร ต้องเสี่ยงเงินคาผ่านประตูเข้าไปอันนี้ตอนนี้พี่อย่างเป็นปฐมบาลสันอันนั้นเป็นปฐมมเลิกซื้อก็เลยเข้าใจอย่างสันพอดีรู้อันนี้แล้วก็จากพักเดียวเท่านั้นน่ยหรืออึดใจเดียวเท่านั้นก็เลยเกิดข่มรู้ข่มเห็นข่มเข้าใจรูกิเลสตัณหาอุปาทานกรรมอันนี้รู้อันนี้จะเกิดปีติขึ้นมาบัาเนี้ยู่มใจ อันนั้นมันเป็นางานข่มรูปคนมยอันนี้มาเกิดปีติอันเนี่ยปีติจึงเป็นอุปสรรคเป็นการขัดแย้งเหนือทําให้เราลาซาทําให้เราบกก้าหน้าที่วาชนกกะก็ได้ปีติเนี่ยตามลาพันว่าปีติข่มอิ่มใจถูกต้อ ง, งเมื่อหลวงพอไปปฏิบัติจะเข้าใจว่าปีติเป็นอุปสรรคจิวปีติได้จิวให้เราพักพ่อนได้ให้เราภูมิใจในอารมณ์ น, นั้น เข้าใจเนี่ยนี่รู้จักเป็นปฐมสานเป็นทุติยาสารมาเป็นมักเป็นผลไปในตัวมันเองหลวงพ่อเข้าใจมั้ยแต่คนอื่นจะเข้าใจตัาฑ์ได้บหลวงพ่อบุญกุศลหลวงพ่อเข้าใจอย่างสิพอดีเป็นปีติอันนี้ก็ยับแยติดพอดีมันรู้แล้วก็แล้วไปมันคิดแล้วก็แล้วไปมันจิเกิดปีติมันจิ๊ไปยูกับปีติย้ายมันไปอยู่แต่มันห้ามโบได้ห้ามโบได้ เขาต้องมาทําควรู้สึกให้มากมันทําให้เอาแรงแรงจากน้อยเพราะเราจะดึงเอาออกจากปีติอันนั้นให้มันรู้สึกอันนี้ทซํซาซาใ ห, เหา้เป็นจังหวะเป็นจังหวะไปทําทซาได้ดีมากอันนี้ตอนนี้ตอนที่เขารู้รูบนามันนะมันยักทําไวไปให้มันทาไว้อันนั้นเพราะมันจิไปลูกกองกรมคิดที่นํามาเล่าให้ฟังในเพื่อเตือนจิตสติใจเอาไว้ พอดีตอนนี้ทำซาซาเฮตบาดโยนโยนหนึ่งให้มันวางหนุกผู้ของศีรษะให้มันรู้สึกตัวพอดีรู้สึกมากเข้ามาเข่าปีติกระจางไปจางไปนี่มั น, นไม่เป็นอะไรก็เลยมาเป็นปกติเมื่อเป็นปกติก็เรียกว่าเรามีสิ้นมันมพอกิเลี้ยงย่างเงีบอันนี้มันจางคายไปแล้วสิ้นจึงปรากฏตัวขึ้นมาสิ้นนี่นก็ว่าสิ้นขันสมาธิขันปัญญาขัน บเมศินห้าศิลแปดศิลสิบศิลสองร้อยี่สิบเจ็ดยังเราเรียนมาจากคูบ า, าจานนั้นโบเมนียนนั้นอันนี้ศิลขันคือรูปขันมีศิลเวทนาขันมีศิลสัญญาขันมีศิลสังขารขันมีศิลวิญญาณขันมีศิลจึงวศิลเป็นเครื่องกำจัด ก, กิเลอย่างหยาบขันกินเลอย่างหยาบก็คือโทสะโมหะโลภะเวทนาสัญญาสังขานรนียมกบุทุก นกิเลตันหาอุปทานกรรมนังกะเป็นกิเลสอย่างยาบเข้ามาวันนี้ส่วนปีติน่ะก็มาท่วงเอาไว้ยอยู่กับสิ่งเหล่านั้นว่าเจ้าของรูเจ้าของเห็นของระวางวนันได้เห็นสิ่ง น, นี้บวมนิสัยอธิศินสิกขาอธิกิตตสิกขาอธิปญาศิกข า, าตำราว่ายังสัน้นครูบาอาจารย์พุนสอน์ยังสัน้หนหลวงพ่อก็ได้เห็นมาได้จํามายังสัน้นเมื่อปฏิบัติแล้มันบวบไปยังสัน้นมันมาว่าสิ่งขัดที่ ขันจึงไปว่าต่อสู้ขันจึงว่าหลงรับอคล้ายๆคือขันตักน้ำเขานี่แหละถ้าขันดีไปตักน้ําขันบมแตกนะได้กินเอาไปตักเขาใส่บ้านให้เจ้าหัวยไอ้จัวกะน่ากินน่าสั่นเอาไปตักอาหารกินกะได้กลิ่นเนี่ยขันดีคือรูปขันดีเวทนาขันดีสัญญาขันดีสังขานขันดีวิญญาณขันดีเว่นถ้าขันแตกเลยเว่นขันแตก น้ำกระโบได้กลิ่นมันห้วนหนิมัดถ้าขันสกรปรกตักเข้าไปใช้บ้านให้พระให้เนนกระโบน่ากินโบน่าเริ่มใสเมืถ้าขันแตกจักอาหารกระโบได้กลิ่นมันห้วนหนิมัดอันนี้กระสือกันคือความโบรูนั่นเองคือไปติดอยู่อันใดอันหนึง่งเขาลืมตัวอย่าว่าญาติลงตนญาติลืมตัวการปฏิบัติธรรมะแบบนี้ปฏิบัติง่ายๆ อยู่ใส่กับปฏิบัติแต่ขอให้รู้จริงเทราะนั้นืสิเมื่อรู้สิ้นแล้วกล่าอะอาทิสิ้นสิกขาอาทิกิตดสิกธาอาทิปัญญาสิทธาสิกขาเปวรตทำเหมือนกับโคกต่าเข้าเขาลูกโคกตําแจวเขาเนี่ยพอเปรียบเทียบไปมันเป็นเม็ดดินมะเพ็ดมักเขือออกมาตำาะลุงเขาตําเขามันมุ่นเหมืนแหลกมันเามากรองเอาได้ทองเอาเจอของสําคัญนั้น ของมุสําคัญก็เป็นแกบเป็นทาไปคล้ายๆคือลงสีเอาขาเปลือกเขานี่ไปโยนใส่โรงสีไปเข้าวโรงสีโรงสีนั้นจะผัดผัดเอาไปเข้าเปลือกเป็นข้าสารเข้ามาแล้วก็เป็นแกบเป็นข้าวเปียนเป็นอย่างไปบ้านหลวงก็เลยวข้าวเปียนเข้าหากข้อมูลวันนี้เขามาปฏิบัติธรรมมทับหนึ่งขวดหนี่งพระก็ดีเนนก็ดีแม่ข่าวก็ดีแม่ดํามันก็ดีพระออก็ดีให้เป็นข้าวทีนึงเข้าอ้วนข้าเต็ม ถ้าเป็นเข้าวทีหนึ่งข้าอ้วนเข้าเต็มไปว่าเขาดีเขาแก่ดีเอาไปเข้าลงสีผัดออกมามันก็บวงหักกเอื้องข้าวทีนึงถ้าเขาเม็ดได้โบอ้วนบบเต็มดีนะ่ยค่ะเอาไปเข้าลงสีหักครึ่งออกมาเอื้อเข้าวทีสองเนื้อบางคนหักออกมาข้าวสามบั้นสี่บั้นสามทอนสี่ทอนเป็นแก่เป็นหำไปเม็ดก็มีผู้ที่เป็นแก่เป็นหำไปนั้นแสดงว่าโบได้ประโยชน์เท่าที่ควร แก้บเอาไปเผาท่านก็นได้เอาไปใสหนานผักก็ได้เอาไปใส่ที่เขาไปซกมวยสนามมวยก็ น, นั่งก็ได้อันนั้นแก้กันนั้นมันโบได้ประโยชน์เท่าที่ควรมันนี้หำบันหลบเพราีว่าหำทางคนปฏิอิว่าลามก็ได้เอาไปให้หมูให้เป็ดให้ไก่กินคนกินก็นได้แค่นี้น้อยหนึง่งถ้าเป็นเขา้เขาหักข้าวมุนข้าวปลายเนี่ยคะคนกินก็นได้แต่กินวุ้ีรลวดสาเท่าไดร อันนี้ก็คือกันถ้าใหา้เขารู้ธรรมะเห็นธรรมะเข้าใจธรรมะเจะืเลิกละจากข่มขั่ข่มขั่ทุกประเภทเลิกละไอ้เมื่อจริงจะเป็นเข้าทีหนึ่งใดการฝึกหัดดัดแปลงอย่างนี้จะฝึกหัดตัวเองทําเพื่อตัวเองเมื่อฝึกหัดตัวเองดัดแปลงตัวเองทําเพื่อตัวเองแล้วเคลื่อนฟูงน้องคอยติดตามมาเพราะทุกคนต้องการความดีอยู่แล้ว เป็นยงเมื่อเขามาลดปีติแล้วบ่นปีติมันจางไปคลายคือไว้ฝังนั้นแหละออกจากถ้ามันถ้าที่มันมืด อ, อยู่นะเขาที่ไปใส่มาใส่ต้องใต้ไฟเป็นครันบคาร์บูทต้ร์ไฟกระตกบอ่อตกหยาบไปเขาออกจากถ้ำแล้วมาเบิง้งอยู่นอกนหรือเบิ้งปากถ้าเบิ้งรูปร่างลักษณะของถ้ามันเป็นอย่างสั้นเปียงเขาจึงรู้จักกิเลสอย่างหยาบกิเลสอยา่างกรา สมมติเอาซื้อ อ, อันหวานนี่ก็นคิเลข ย, ย่างกลางก็คือปีตินั่นแหละอันหนึง่งยินดีว่าเจ้าของธทรำรอย่างนั้นอย่างนี้ได้นี่ยมันปิดทั้งสัตวหรือว่าอีกอย่างนึงก็เรื่องสมถะกรรมฐานทำความสงบแต่ผู้อื่นนั้นจะเป็นเส้นใยบวงจักผมโบได้ว่าผู้นั้นปูนีความสงบแบบบูรูนั่นเรียกว่าเป็นปีติยินดีในความสงบอัน น, นัเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม เดี๋ยวปฏิบัติแบบนี้บูตะวะเจีให้มันสงบได้ให้มันรู้สึกตัวอยู่เสมอเคลื่อนไหวอยู่เสมออันความสงบนั่นมันเป็นผลพลอยได้สื่อเพราะว่าเขาเคลื่อนเขาไหวเขาพลิกเทียงตียงตัวพลิกมือง่ายมือพลิกตาอ้าปากหาใจเข้าหาใจออกก้มเงยเอียงซ้ายเอียงขวาเขารู้สึกอยู่ตรี้ปัญญามันเกิดขึ้น เพื่นจีว่าคนจะล่วงพุกไปได้เพราะปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วอสิมันเป็นขนพอได้คือนความสงบมันสงบจากโทสะสงบจากโมหะสงบจากโลภะสงบจากกิเลสสงบจากสัญหาสงบจากอุปาทานสงบจากกรรมสงบจากปีติอ น, นั้นเพราะการเห็นแจ้งอันนี้เนี่ยมันเป็นจีว่ามันมีอุปสรรคจงาอาใส่ผู้ที่เคยสํานานมาก่อนหรืออาศัยคนที่รู้นั่นแหละ มารยะนี้มันเป็นอย่างซีมารยะนี้มันเป็นอย่างซีเพราะผู้ที่รู้นั้นสันนิสนานอันนี้เรียกว่าเป็นทุติยาสารไปอย่างสันที่ผมรู้ึง่งปฐมศาสตรทุติยาสารเข้าใจอย่างสันแต่คนอื่นจีเข้าใจไม่เข้าใจนั้นเทพบุกหิจักจึงผมกล้ายืนยันรับรองคำพูดของพระพุทธเจ้าหรือตำหรับตำนาเป็นบางส่วนบางตอน ถ้าหากเขาเห็นเขาลู่เขาเข้าใจแล้วรู้เองเห็นเองเข้าใจเองมันเป็นอย่างไรบันเนศจตุทสานเหมือนนี้จตุทาสารแปลว่างานรวบรวมอืป ต, ติญสารปฐมสานทตาุติยสานปติยสานมันอยู่ในความาคือว่าปฐมสานกับทุติยสานที่อยู่พอว่ามันนี่ตอนนี้มันเป็นปฏิญสานมันเป็นจตุทาสารเข้ามาแล้วงานรวบรวมเข้ามารวบรวมเข้ามาจะไม่เห็นสภาพการทําดีทําซั่ว ทำผิดทำทูกจิตในหัวใจอันนี้พอดีหัจใกอันนี้แล้วก็เป็นปัญจมสารพร้อมด้วยห้าคือญาณของรูปญาณของเวทนาญาณของสัญญาญาณของสังขารญาณของวิญญาณ น, นี้ที่มารวมกันเขาเป็นอันเดียวกันจึงเป็นปัญจมาสารขึ้นมาตัดสินลงไปถูกต้องจังว่าจิตสะอาด จิตใจนี่จิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจคล่องใสจิตใจว่องไวสามารถที่จะมองเห็นอันใดอยู่ในตัวเฮานี้บุคม่นเห็นตักไตไส้พอดผุเนี่ยสามารถที่จะเห็นจิตใจเขามันนึกมันคิดมันคิดดีมันคิดซัวมันคิดจันใดเขาจีเห็นจีรู้จีเข้าใจทั้งหมดจงว่าจิตใจของพระพุทธเจ้าดังมีอยู่ในคนทุกคนบริโคเว็น เมื่อทําอย่างสิต้องรู้อย่างสิรู้อย่างอื่นโบถูกต้องเมื่อเห็นลูกเข้าใจเนี่ยค่ะรู้สภาพภาวะอาการเกิดดับที่อย่างผมว่าเมื่อแรงวานี้เมื่ออาการเกิดดับตัวนี้มันขาดสูตรมันออกจากกันทั้งหมดให้ใครายๆคือว่าเอาน้ามันกาดกับน้ํามันเบนซินกับ้างน้ํามันอย่างนั้นเน่าไปถอกใส่แก้วเอาน้าทาเข้าถอกใส่กับน้ํามันมันจะยู่คนละส่วนกันโหลดเต้นมันก็อยุ่กับน้ําหันได้ แต่หามันเป็นคนลัมุมกันน้ำท่ากับน้ำมันจึงเข้ากันบูได้เขาเห็นอยู่อน้ำมันทอกใส่ในน้ำมันก็ยุทเทงพี่ผอมันตางหาน้ำมันน้ำท่ามันก็อยู่ใต้ผอมันท่างหามันบูเข้ากันได้มันเป็นอย่งนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้านั้ตัดผมครั้งเดียวพราพเจ้ารู้ดีแต่เขานั้นก็ต้องค่อยๆรู้ไปอย่งเป็นธรรมเมื่อเขาเห็นสภาพนี้เขาจะรู้จักสภาพหรือภาวะของทีตายนี่เนี่ย มันต้องเป็นอย่างสัน้นมันต้องเป็นอย่างซีหุ่นจักวิธีตายกันทีแต่ทุกคนก็ต้องมานี้นี่จากนี้ไปบวได้เพราะทุกคนเกิดมาแล้ก็ต้องตายนี้คนเกิดมาในโลกได้บวตายบวชวิจักขุนอันนี้เรียกว่าสัจจะแท้บวเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปบวได้ถึงจะมีผู้รู้มันก็เป็นอย่างสั้นอยู่ว่ามีผู้รู้มันก็เป็นอย่างสั้นอยู่เชิงว่าเพิ่งว่าไว้ว่าหากมีพระธรรมวินัยอยู่ และมีผู้ประพฤติดีปฏิบัติสอบอยู่มรรคผลนิพานบวางจากโลกนิ้นะบวางจากโลกบวมไม่บวชจากดินฟ้าอากาศอันนี้เนะี่ยบวชจากผู้ปฏิบัติท่านนี้นี่รู้จกักมรรคผลนิพานโลกเลยถ้าหากว่าภิกษุหรืออุบาสกอุปสิกาอยู่โดยสอบแล้วพระอนาคตรจะบวางจากโลกนิ่นะเพราะว่าเขาเห็นความคิดคุณเนะี่ยพระอนาคตรนี้บวมไม่เห็นตัดไปไส้ปอด โบเมนเฮานั่งอยู่ที่นี่เห็นคนหมูนเลขลอตเตอรี่อยู่กรุงเทพคุณสลักกินแบ่งคุณโบเมนอันนั้นเนี่ยพอโบได้หูจักทั้งสัเห็นจิตเห็นใจเฮานึกเฮาคิดนี่บันดนี้โอ้เราไปเข้าใจเลิกเกินไปจะไปนเข้าใจนับเม็ดห็นเม็ดใสในท่อมหาสมุทรคุนให้ครบทุกเม็ดกับโบเมนอันนี้ ที่ไปเห็นต้นไม้โูเข่าเพิ่งกลับ่บแม่นอันนี้โบแม่นแทะเห็นอันอื่นโบแมนทั้งหมดผิดมดคันถ้าเห็นตัวเฮานี่กําลังนึกกําลังคิดกําลังทํากําลังพูดถูกอันเนี้ยเห็นอันนี้เห็นจิตใจเฮานี่สะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจพ้องใสจิตใจว่องไวอันนี้คือจิตใจของพระพุทธเจ้าว่าไม่จิตใจของพระุทุนฺ แต่ผู้ทุศนก็มีอยูุ่หักโวเห็นว่าสามารถที่จะรู้จิตอันนี้จึงว่าเอื้นผู้ทุศน์ผูทุศน์จึง่าเป็นผู้หนาแน่อยู่กับข้อมืดคมลงอันนี้พระเดียเจ้านั้นปลดเปลื้องข้อมืดอันนี้ออกไปข่มหนักนกกหนักใจนะค่อยๆอ อ, ออกไปจิว่าเห็นอันนี้เมื่อเห็นมาจุดนี้แล้วก็เลยเข้าใจว่าอาการเกิดดับนั้นคนวายังเสีย เกิดมาลอยปีชีวิตของพวกนั้นเป็นมันบั น, นี้กสู้บุคคลผู้ที่เกิดมาเมื่อเดียวนึงรู้เห็นธรรมะอาการเกิดดับอันนี้ดีกลัวมีประโยชน์กลัวบุคคลเกิดมาลอยปีบนรู้บนเห็นบ่เข้าใจสภาพภาวะเกิดดับอันนี้เป็นวายังไงคนเกิดมาเมื่อเดียวนี่แล้เวเกิดมาเมื่อเดียวมันจี้เห็นได้บ่มันพลิกริงติงตัวกรบโบเป็นกินขา้าวกรบโบเป็นกินน้ำกรบโบเป็น ปุญญาเธอะแต่ขี้มันกันยัางขี้ใส่กับที่หันนอน่กับขี้กับเงี้ยวหันมันขี้เป็นอันเขามานี่แหละมาฟังครูบาอาจารย์ทันพรู้ไว้ยฟังเขามีสติปัญญาสามารถมองถึงจิตใจเขาทันทีเป็นว่ามองเบิ้งจิตใจโอ้จิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบมันจะรู้เพียงแท่นี้อันจิตใจบริสุทธิ์นั่นมาจีบบหันรู้เถอดเมื่อได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ไว่ายฟังก็จะรู้เป็น จิตใจบริสุทธิ์จิตใจพ้องใสจิตใจว่องไวมันสามารถผู้ได้ว่าอยังมันที่สามารถฟังได้รู้จักได้อันนี้เป็นว่าอาการเกิดดับอันนี้เมื่อเห็นสภาพอันนี้เราภาวะที่มันมืดมันบอดมันคาดออกจากกันรู้สิว่าในเนื้อในหนังเขากำมันจืดออกไปเมดผมเคยเปรียบเคยอุปมาไว้ฟังเหมือนเขากุ้มเด็กน้นอย เด็กน้อยเนี่ยมันแดงพ้นมันแล้วเนื้อหนังมันแดงเขาเอามือเขาไปจับไปแตะเข้าไปมันจี้ทันทีเลยพอดีเขาเอามือเขาออกมันขาวเออมันแดงเข้าไปตืมมันไวอย่างนั้นจะมาคว่ำไวอันนี้มันไวที่สุดเมื่อเขาอามือไปจับเข้ามันขาวเมื่อเขามือออกมันแดงมันจะกลับไปกลับมาสันอันนั้นเป็นปุถุศนอันนี้เมื่อของพระพุทธเจ้าเนี่ยพอดีมันแดงจับแล้วมันขาดออกไปเลยคว่แดงมันเมื่อ มีแต่ขมขาวขมจืดออกแต่มันว่างเพราะว่าอันนี้เป็นธรรมศาตร์แท้เป็นของเดิมแท่เจ้าของเดิมแท่นั่นมันมีอยู่ในหอมเมื่อทุกคนบรยกเวนผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีพระสงฆ์องค์เจ้าก็มีคนนุ่มคนสาวก็มีคนเท่าคนแก่ก็มีให้ว่าคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาคน ค, น ค, น ค, นคนาเมรคนยวนคนลาวให้ว่าคนที่มีเมื่อทุกคนบรยกเวร ที่ถือศาสนาใดขอตามสร้างนุ่งผ้าเสียนได้ขอตามและทีได้ขอตามสางบวกก็ปฏิบัติได้บวบบวกก็ปฏิบัติได้เรื่องนี้นับรองว่าลู้ทุกคนถ้าเป็นคนจริงขอแต่ให้เป็นคนจริงอย่างเดียวในป็นีในตำราพันวาผู้ที่จเจริญสติปัฏฐาน4ี่อย่างถูกต้องให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ย่างนานเจ็ดปีย่างกลางเจ็ดเดือน ย่างไวที่สุดนั้นนับตั้งแต่มือหนึ่งถึงเจ็ดมือหรือสิบห้ามือมาสบันวาสมีอันนี้ส่งสองประการนจำนวนึ่งเป็นพระอาหารหันต์ถ้าหากก่ได้เป็นพระอาหารหันต์เต้องเป็นพระอนาคามีแต่ปฏิบัติให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ได้เป็นว่าคำว่าพระอนาคามีนี่ยกะบืผาดแน่นอนที่สุดฮาวู้จากคุณค่าของพระอนาคามี คุณค่าของพระอนาคามีต้องรู้จักมรรคผลนิพพานรู้จักวิธีปฏิบัติผิดทุกข์ผิด้อันพระอนาคามีเพคนว่าจริงมากเกิดเทอาเดียวเท่นันตำหนักคนว่าอันวิธีปฏิบัติแบบที่เหากับหลังทําอยู่เดี๋ยวนี้จังหวะนี้บัวาวะานนย่างนานบ่วเกินสามปีย่างกลางให้เวลาปีนะย่างไวที่สุดให้เวลาสามเดือนเก้าสิบมือ บบมากกับ น, น้อยขุมทุกนี่จะจืดจางไปและขุมเข้าใจดังกล่าวต้องเข้าใจบบมากกับน้อยจะไม่หลงผิดเลยถ้าเป็นคนจริงถ้าเป็นคนบบจริงก็อีกทึมละอันนี้ก็เนี่ยว่าเขาถ้าเม็ดใน้วนในเต็มนะเอาไปเข้าลงสีจะเป็นเข้าทีหนึ่งราคากระแพงถ้าเป็นเข้าทีสองขาอ้าวบุ๋นโบเต็มแ่บไปเข้าลงสีมันก็หักครึ่งหักกลางออกมาขายราคากระ่แพงถ้าเป็นเขา้าวโมีไนท์แบบนี้ ออกไปข้าหลงสีก็เป็นหำกับเป็นแก๊บออกมาซื้อพ้อมอมมนมาบุญในในเราเด่นอันนี้ก็คือการถ้าหากเขามีศรัทธาแล้วต้องทําให้มันติดต่อกันเหมือนลูกโซคําว่าติดต่อกันเหมือนลูกโซ่นี้โบ้ได้หมายถึงแต้เฮจังหวะซื้ อ, อมันนึกมันคิดก่อให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจไปใสมาใสเข้าห้องน้ําห้องส่วมการทํามาหากินทุกย่างนั่นแหละให้เขารู้สึกตัวอันรู้ความรู้สึกอันนี้ มันจ่พยายามไปไล่ขวบปุโรหะหนีและมันคิดมันก็จะรู้เป็นอย่างไรความรู้อันนี้จริงว่าลู้อื่น ท, ทนําแทนเขาโบได้พ่อทําให้แม่กับโบได้แม่ทําให้ลูกกับโบได้ลูกที่ทําให้พ่อให้แม่กับโบได้เยอะทําทรู้ได้เฉพาะตนเองมเป็นอย่างไรมันสามารถที่จะไปแก้ปัญหาตัวเองได้แก้ขัดจด จนใจนแ่ได้พี่หลวงพอได้ประสบตัวเองมามันไม่มีการขัดแยงกับคนอื่นมันมีการขัดแย้งในตัวมันเองจีบ่ะให้เหาเห็นว่าคนอื่นพูดให้เหานั้นดีใจเสียใจบนแม่เนี่ยเขาจะไปห้ามเพื่อนบวได้ด้เขามาเบื้องตัวเหาพี่ได้มันมีการขัดสนมันอยู่พี่ได้การขัดแยงมันอยู่พี่คือว่พอใจแน่มันขัดแล้วมันมันแยงตัวมันพอใจเนี่ยมันขัดแยงในตัวมันแล้วมันขัดสนอยู่พี่ด้วยเหตุมันอยู่พี่ด้ ตายเห็นรูปหูฟังเสียงว่าสบันวันบุญแม่เนี่ยตามันกบะโบ้จักหายโบ้จักดีหูก็คือกันดีใจเสียใจมันเบาหวานใจตั้งหะพอดีคนวาวปุ๊บหูมันบุษชีจําได้ใจพวกน้มันจําตายเห็นปุ๊บตามันบุษชีจู้จักว่าดีว่าซั่วอย่างเนี้ใจพวกนี้มันว่าดีว่าซัวจึงว่าปฏิบัติอันนี้จึงว่าบัให้มีดีใจบ่วให้มีเสียใจให้ปฏิบัติซื้อซื้อให้ซื้อซื้อ อันคมเฮ็ดซื rolling, well, remember, remember is, ่อ mm hmm. ๆมันจ so ีเป็นซื่อๆมันจ <alı> ีรูมาอย่างซื่อๆอันนี้เรียกว่าเป็นงานของวิปัสนาลู่มหาจางซิขันทารู้แล้วหลงแล้วลืมนั่นบมเมนต์รู้วิปัสนาอย่างผมว่าจะมีอารมณ์อารมณ์บนแม่นอารมณ์หคืออย่างพ้นว่าขันห้าอัญตาณสิบสองทาสิบแปดอินทรีย์ยี่สิบสองอริยัจสี่ปฏิจจสมุปบาทบนแม่อารมณ์อันนั้นอารมณ์คืออย่างผมว่ามานี้ จิ่วิรู้จักเป็นปฐมสารทุาา ต, าาติยสารตติยสารจตุทสารปัญจมสารรู้จักขันนี้รู้จักขั้นแรกเนี่ยเขาจิวรู้ไปเป็นทางไปซื้อบัด น, นี้เขาเที่ยวไปเที่ยวมาเขาจิวรู้จักว่าทางเขานี่มีตอ่อมีหลักมีนามอยู่ธศาสสจิงรู้จักพราะเขาสํานานจิตว่าเมื่อรู้แล้วจึงพักพ่อนมดได้ต้องทําให้มันสนิทสนานบางคนรู้แล้วละ่ะเนี่ยเลยเสาเลยเลิก เก็ไปทำผิดอีกเติมอันนั้นพนวดมันมีมรณะมีทิฏฐิจึงว่าเขาจึงลดน้อยลงไปผมมีมรณะผมมีทิฏฐิเนี่ยครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงตักเตือนได้เพราะเขามีความรักความพอใจกันจักเตือนจริงจริงตักเตือนกันได้ถ้าหากเขาไม่มีความรักบม่มีความพอใจแล้วเขบ่ตักเตือนกันแล้วผิดกับาแล้วทูกกับาแล้วอันนี้เขามาหา พักพวกเขาผิดต้องตักเตือนกันได่ว่ากล่าวกันได้ชื่อว่าให้รับฟังรับฟังนะครับไปปฏิบัติมันจะรู้โอ้อันนั้นมันผิดอันนี้มันถูกเขาจะได้หัจใกเลยว่บบมีใครสิมาบอกเขาเรื่องความรู้อันนี้ครูบาอาจารย์กระบอกบ่ไใดที่สุดพระพุทธเจ้ากระบอกบ่าใดบอกได้ใจําเอาเตี้ยวหูซื้อสัญญาอันนั้นสัญญาคนจำเลยโบเมสัญญาเกิดมาจากพดของธรรมศาสตร์เลยเขาเคยได้ยิน ครบาอาจารย์ให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าแสดงว่าอค า, าตาโลตถาคตาเป็นภาษาบาลีอั น, นพตัตตถาคตเป็นแต่เพียงพูดแน่แนววิธีเท่านั้นซื้อบอกวิธีซื้อพระพุทธเจ้าแล้วเป็นหน้าที่ของเธอปฏิบัติ่าวเธอต้องปฏิบัติตามที่ว่านี่พอดีปฏิบัติมันก็ต้องรู้เธอเองเป็นคนได้รับผิดทุกเธอเองคือคนได้รับ แล้วผมก็เลยมาว่าแต่ ว, ว่าพระพุทธเจ้าวา่าสัตทั้งหลายคือเลอตตาคดสัต์ทั้งหลายเมื่อลอตถาคตสัตทั้งหลายเป็นพระตตาคดก็คือกันเมื่ออย่างบุรุษ ก, ก็จัดคุณจัดที่จัดต้นส่วนปลายโบได้จะว่าเขาเป็นคนให้หุ่จักหน้าที่ของคนบุตรเเป็นสัตว์ได้คนเขาก็องหุ่จักหน้าที่ของคนต่เลือกคัดจัดหาเอาเป็นสนมเมื่อเป็นคนแล้วเขาก็เป็นมนุษย์ได้ทันทีเลย เมื่อเป็นมนุษย์แล้วกับเป็นเทวดาได้เป็นอีเป็นผมได้เป็นพระเดียบุัคลได้ทันทีบทเมสิตายได้จึงไปเป็นบทเมสสตามเท่าที่ผมได้ศึกษาเราเรียนมาผมกล้าพูดกล้าทํากล้าสอนอย่างนี้แต่คนอื่นอาจีนพวกที่สอนอย่างไรครบบุหุจักจึงว่าบทสุดท้ายในพระบริเจ้าเพันวาจัดทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นและจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลาย ให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราอตาทักขุนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างหล่ตาทักขุนนีเ้เพราะพอมเจ้าไปถึงที่สุดทุกขที่สุดทุกคืออาการเกิดดับนี้เองรู้จักวิธีที่จะตายรู้จักเมื่อจะตายตายวิธีนี้บุแม่ตายเลยตายตั้งแต่รูปอันนี้และจิตใจมันบุญสกิตายําเฮาเลยมันเป็นอันายจิวาบุแม่อของไัย รู้ได้จิตสงวนที่ขัติดบัได้ดอันนี้เมื่อรู้แล้วจิตทาลายกระ บ, บัได้อันนี้เพราะมันทําลายบัได้มันเป็นของสัพาะตัวรู้ได้สัพาะตนคนอื่นรุ่นนำเขบาบัได้รู้แล้วจะบวให้ผูอื่นรู้กับบได้ถ้าหากเขาทําทุกวิถีเขาจะรู้เองรู้แล้วที่ทําลายอันนี้ให้มันหมดไปกับบได้เพราะมันเป็นอยู่ทางตันจึงว่าธรรมะแท้นั่นคือสิ่งเดียวกันธรรมะที่ทําให้พระพุทธเจ้านั่นอนะ่ะมันมีอยู่แล้วในคนทุกคน บนยกเว้นไผ่ทั้งมดัดบอกว่าคนไทยบอกว่าคนจีนบอว่าคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาไผ่ก็ตามสร้างให้ซื้อว่าคนและถือศาสนาใดก็ได้ถ้าปฏิบัติถูกหล่รับรองบอกว่าเป็นคืออย่างพระกุนิจาวานแท้ๆดังนั้นตอนทําวัดเส้าวันนี้ก็เลยมาแนะแนววิธีปฏิบัติการแก้ไขปัญหาซิ่งที่มิลปสักตอนสุดท้ายเนี่ยให้ระวังให้ดี มันจะฟุ้งไปติดขว่มสุขหรือปีตินบวาแหละมาติดไปขว่มสุขคือว่าเกิดมาในชีวิตนี้บ่เคยหู้บ่เคยเห็นบ่เคยเป็นบ่เคยมีมันจีเบาตนเบาตัวมันจีพอใจในเขาก็เลยลืมตัวบบบ น, นี้ลืมตัวเพื่อกลับไปติดวิปลาสวิปลาสาม า, มาเป็นตอนนี้เจีาหลงตนลืมตัวก็เลยบูมหุจักที่บบูมจักแดนบูมหุจักทําผิดบูมหุจักทําถูก ที่ไปแสดงทําตัวผีตัวเทวดาใส่ผู้บันทึกบุจักหรือเ ม, มื่ออันทีอันเทวดาอยู่ในเ่านี้ผีคือทําสัวพูดสัวคิดส่วนนั่นเองเทวดาคือมีความละอายแก้ใจนั่นเองถ้าเา่าวรู้อยู่ในเกณฑอันนี้รู้ตัวเขาอยู่เสมออันนี้วิปลาสเข้ามาบุไดเพราะเขามีความรู้สึกตัวอันนี้นี้ให้เขาเบิ้งสภาพอาการเกิดดับนั้นอยู่นี้เมื่อกูเดินจมกรมเวทจังหวะมีสตอิอันนี้จึงขาดช่วงออกจากกันอันนี้ ให้เอาอยู่บนนี้อันนี้คาดเอาจัดการอันนี้แล้วมันจะเข้ามาตอนนี้เขาจี้เห็นใช่ไหมคายคาคือเอาเที่ยวทางนี่หละเที่ยวไปเที่ยวมามีหลักมีต่อมีเสี้ยนมีนาำอยู่เขาจี้เห็นเขาจี้ห้เขาจี้บวไปสะดุดว่าไปเตะไปเยียบเอาหลักเอาต่อเหล่านั้นพราะเขาเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยถ้าเขาไปเที่ยวเดียวนี่บวกกับคืนมาตืมกับย่ากับหกทางเขาแล้วแล้วกลับคืนมาเที่ยงก็เยียบดักเยียบต่อไปตืมแล้ว ถามมากขึ้นมาตืมเนี่ยึงว่าการปฏิบัติแบบนี้ถ้ารู้จริงแล้วเลิกละโมได้ถอโดโมได้มีแต่จืดมีความพอใจในการในงานนั้นชื่อว่าหลักการรักงานลักหน้าที่ผู้ที่เขามาปฏิบัติในต้องหลักหลักหน้าที่คนผูใน้ใดบุรักหน้าที่อันนี้ก็ซื่อว่าจางไปเลยจืดไปคนเอินกุปปาธรรมโมอกุปปธรรมโมปฎิหนะณธรรมโมเยตนาภพอนุลนักคณะภพอคน วาไว้อภิธรรมจิตบอเม้นว่าจิตไปช่วยถ้าคนตายได้นึ่งเพรานวมันสารเสื่อมหรือว่าซารจิบหายในผลวาอย่างนั้นถ้าหากบวกคิดบวถึงนํามันจิบหายมันเสื่อมมันเที่ยงมดเป็นอย่างนั้นที่ผมได้ประสบพบเห็นมาผมก็ว่าก็พบบวกคิดว่ามู่จีวาอย่างนั้นอ่างนี้วาก็ได้เพราะพูดเหนือนอกไปแล้วสินวากระยด้บ่เป็นยัง ผมโบได้คิดว่าคุณนักจีวะอย่างท่านคุณคุนว่าไว้พูดอวดอุตตรีมนุษย์ศาสนาคือทำอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนขาดจากภพเป็นภิกษุเลต้องอาบัตเป็นปรัชิกวากระสางเรียตําหลนาเขาบอได้ว่าอวดเนี่ว่าของจริงสู้กันฟังเพราะมานี่ต้องการของจริงทุกคนเหมือนบมดต้องการของจริงเหมือนหมถ้าต้องการของจริงก็ต้อว่าของจริงให้ฟังทีแล้ว ถ้าบทต้องการของจริงก็ต้องว่าของบูจริงพูนแล้วพนว่าว่าของจริงเพนว่าคนที่บ่งหูนั้นยามีความติเปลี่ยนอยู่เพนว่าพูดของจริงต่ออนุปสมบัติพู้ที่ฝังบูเป็นนั้นพนว่าต้องอบัตไปจิตตีวันพนว่าอยู่ในหนังสือมันน้ำควาดอันนี้เขาต้องการของจริงก็ต้องว่าของจริงให้ฝังสนว่าถ้าหากอบกบอกปุบยุยบนเนี่ยผู้อื่นว่าก็ได้เจ้ามันจิบบุคือกันก็ได้ เพราะคมเห็นบุคคลกันควอมีของคบเป็นลอติจะมาการเลือกหูเลือกอาจารย์นั้นเลือกเอาเองให้เราพอใจเอาเองแต่ว่าเมืองไทยนี่ก็มีหลายคนสอนประเทศอินเดียก็มีหลายคนสอนมีหลายละที่มีหลายนิกายกาว่าเท่าไหร่มีร้อยแปดละที่ร้อยแปดนิกายในประเทศอินเดียร้อยเจ็ดละที่ร้อยเจ็ดนิกายในกันจจวีเห็นแล้วก็พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากัจจวีเห็นต้องารประพฤติปฏิบัติร้อยเจ็ดละที่ร้อยเจดนิกายนั้นเป็นางานั้น เมืองไทยก็คือกันถ้าแห้งเขาเห็นดีผู้เดก เ, เขาไปศึกษากับผู้หันก็จีนรู้แบบผูู้หันเพราะว่าครูบาอาจารย์รู้วิธีนั้นเขต้องสอนวิธีนั้นผมจึงว่าสอนวิธีอื่นผมไม่ค่อยสอนสอนวิธีนี้วิธีพุทโธวิธีสัมมาอาลังหังนับหนึ่งสองสามพองยุบอาณาปานสติแนตะ่ผมก็ได้ทํามาดีอันนั้นก็ดีอยู่แต่มันสงบสติมันบ่กเกิดปัญญาพอดีมาทําอันนี้มันเกิดปัญญา เกิดการเหตุแจ้งเกิดการรู้จริงเมื่อเกิดการปัญญาเกิดการเหตุแจ้งเกิดการรู้จริงก็เลยจำเอาวิธีที่อันนี่แหละมาเหตุมาทําวิธีกราบวิธีไว้วิธีนบผมพยานรำพย า, ยานั้นมหั จ, จักนบต้องเหตุสังสี่วิธีนบต้องเหตุสี่บนไม่นบสังสี่นบสังสีนบวิธีนบไปกาบก็บต้องกาบอย่างสัยเหตุสังสัยผลสิทธิว่า แต่ก่อนนั้นเบยจังขับปฏิเนี่ยเอาซอกเอาเข้าเอาหัวเหมือนศีษะนี่จดลงพื้นพุ่นผมบ่เอาผมเลิกอันนั้นแต่ผมเฮ็ดเป็นเพราะครูบาสอนเนี่ยบันนี้เอาขูเข่าแล้วเอ า, เาจจอหัวเข่าจดจอมบัวให้บัวให้ตูดบัวให้ก้นเนี่ยออกจากสนนองเขานี่ยให้มันติดอยู่หันขันเอาไปไกลบางก้นมันเงึนขึ้นมาบันนี้เอาฟ้องไปตํา ๆ, าๆาหันเอาหัวเข้าเขาเข้าในเอาซอกฟ้องเข้ามาค้นมันเน้อบูเงึนขึ้นมา แล้วเขาเฮ็ดเขาก็บึ <t land and humility> ่งแบึ้งตัวเขานี่พราะว่าฝึกหัดดัดแปลงตัวเองเมื่อฝึกหัดดัดแปลงตัวเองพอใส่ได้ก็ไปสอนผู้อื่นได้ถ้าหากมีแต่รู้พวกฝึกหัดดัดแปลงตัวเองนั้นเพราะว่าอย่างผ่านูกต้องเถิดการที่จะฝึกผู้อื่นนั้นต้องฝึกตัวเขากรพันว่าการที่จะไปสอนผู้อื่นนั้นต้องสอนตัวเขากรพันวังความรู้ความเห็นความเข้าใจของเขาเป็นอย่างไรก็เอาความรู้ความเห็นความเข้าใจของเขาเนี่ยไปสอนผู้อื่น ให้ผู้อื่นรูตามเห็นตามตัวเองนะ้ตัวเองรับประกันคําพูดตัวเองตัวเองรับประกันการ ก, กระทําของตัวเองมันเป็นสัญญาณที่ว่าเสียสละสัตย์เพื่อรักษาอาวัยวะคนเสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตยอมเสียกระทั่งชีวิตเพื่อรักษาความจริงคือรักษาศีจธรรมคําสอนของพระพเจารณ์นเยวันวันเท่าที่ผมนํามาเล่าสู่ฟังมืัอนี้กับเห็นมาสมควรและตอนเช้าวันนี้ ไว้ฝังแล้ววิปลาลก็ไว้ฟังวิปัสณูก็ไว้ฟังปีติก็ไว้ฝังอย่าไปติดทั้งหมดให้มายุ่กับขมู้สึกนี่ถ้าหากมีขมรู้สึกนี่บวชาดถ้าใครไปติดขมรู้เบื้องต้นเป็นวิปัสนูถ้าใครไปติดคขมดีมขมซอบเป็นปีติถ้าใครไปติดขมสุขเป็นวิปลาละที่นํามาร้อยฝังเมื่อนี้ก็เป็นวาสุผลเกวเวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมจะพระส่ง และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอาคุณของพระบุริเจ้าและพระธรรมคำทั้งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุมริเจ้าและคุณของพระลันตาสาวกพระสัมมาสัมพุริเจ้ามาเตือนจิตกิตใจของพวกเราให้พวกเราได้รู้แจ้งเห็นจริงตามความปีจริงอย่างที่พระบุริเจ้าตัดว่าสตัดทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแลแห่งนั้นและจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลาย ประพฤติปฏิบัติตามย่งางหลาตตะขนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่งางหลาตตะขนี้คือไปถึงที่นั้นถึงแห่งนั้นคือไปถึงที่สุดทุกคําว่าเราทั้งหลายผู้เป็นตถาคตไปถึงแลแห่นนั้นคือพระพุทธเจ้าไปถึงที่สุดทุกขถึงอาการเกิดดับนี้เองอาจารย์ขาว่ากัยูุนิกะให้ไปถึงที่สุดทุกขถ้าหากไปถึงที่สุดทุกแล้วเขาจี้เป็นทุกเเป็นวัฏฏะสงศารอยู่เนี่ โลกิยธรรมโลกุตรธรรมอยู่นี้โลกิยธรรมนำมายถึงธรรมแล้วมันไม่ไปถึงเพราะเน่อว่าโลกิยธรรมถ้าหากว่าเราทํำถึงที่สุดทุล่ะเป็นโลกุตรธรรมขอให้ทุกคนทุกคนจงประสบพบเห็นเอาคือจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริรสุทธิ์จิตใจผองใสจิตใจว่องไวคือจิตใจของพระฤาษีเจ้าขอให้ทุกคนทุกคนจงประสบพบเห็นเอาในชีวิตนี้ เมื่อเวลาอใครได้จงทุกทุกคนเธอ